ไดอารี่หมอดูหน้าที่ห7าดโดยหมอพีธันวาคม2คนนมมมอง1้านสวัสดีครับสำหรับฉบับนี้ผมโจโจรับหน้าที่อ่านค อ, อลัมน์ไดอารี่หมอดูให้ฟังนะครับ นื่องจากว่าผู้เขียนหรือมพีเป็นสุภาพสตรีนะครับดังนั้นขอย่าดเปลี่ยนคำลงท้ายจากค้าเป็นครับเพื่อความเหมาะสมในการอ่านนะครับใจฉันขอไปเจอพบเธอที่บนฝาก้ากพร้านเราจะนอนลับไหลในออมแคนของดวงดาวให้เนาวราตรีอบล้อมหัวใจ